มาโยสิละไม่ได้เกิดมาจะพระอริยเก้าพคนเบือเบ่อเนี่ ย, ย, ยเบือ่อมัดสุดเนี่ยโรคภายหนอกภายในเพยคนกับเบื่อโรคภายใน่ายอย่งโรคภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพคนกับเบื่อมัดโรคภายหนอกลูกเสียงกินรถโพธิ์พระธรรมร่มคนกับเบือ่อนายมัด คนเคยในทองที่เอามาเลยมเห็นแต่ของเก่านะพันวานี้ดอกบายูน้ำนะันว่ขาเรยกขามเทาได้หลงจะของไปซะมูเห้าเน่นั่งขามว่าท่านใดกับข้าอยองทีน่ะมาสางนามท่าบุญทัานบุญม่ท่นพ่ออยากไปพันนี้ก็ไปบารายพนิ้พานทัานบุญพ่อเนี่ยบาปก็พ่ อ, อยูได้ตัว คันบุญพระพอร่อบาปกับระบาปกับพระพอร่อคือกันกรรมขอยใคห้องม่นกรรมุนาวัตติโลโกสันโลกเป็นไปตามกรรมจะให้อยู่ระดับเดียวกันไม่ได้เป็นว่าขันดินเงี้ยไม่ตำ่ำไม่สูงอันนี้ก็คือกันมดต้องไม่สั่นวันละไม่ ในโลกเราไม่เยอะสองสั้นมีโลกียะเขาโลกุตระธรรมสองโลกียะธรรมโลกุตละธรรมศีลสโลกียะศีลโลกุตละศีลปัญญาสโลกียะปัญญาโลกุตระปัญญาสมาธิสองโลกียะสมาธิโลกุตละสมาธิมนุษย์สอง โลกียะมนุษย์โลกุตระมนุษย์อโลกียะมนุษย์กับโลกียะศีลโลกียะสมาธิโลกียะปัญญาไม่ข้อหมายอันเดียวกันโลกุตระมนุษย์นับแต่สุขเจ้าปโนเป็นต้นไปโลกกุตระศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกัน โลกีศีลโลคีสมาธิโลกีปัญญาโลกีมนุษย์โลกีสัตยรยัชฉานก็มีความหมายอันเดียวกันใครพาไปใครพาอยู่กรรพาไปกรมพาอยู่นั่งก็กรรมพานั่งพูดก็กรรมพาพูดเรียกว่ากีกรรมนึก ก่อใจภานึกเรียกว่ามาโนกรรมคิดก่ใจภาคิดเรียกว่ามาโนกรรมส่วนจะไปทางดีทางชั่วก็ขึ้นอยู่กับกรรมและผลของกรรมของใครของมันเหตุพืชผลของเหตุผลของพืชก็มีความหมายอันเดียวกันกรรมและผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกัน เหตุก็ดีพืชก็ดีผลของเหตุผลของพืชก็ดีก็คือผลของใจนั่นเองก็คือเหตุของใจนั่นเองกรําก็เหมือนกันคือโมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายกรรมที่พระบรมศาสลาษษทราทางห้ามคืออกุศลกรรมคือบาปอกุศลเหตุคือเหตุแห่งบาป ส่วนกรรมสร้างรองแล้วส่วนเหตุสร้างรองแล้วผลไม่ประสงค์ก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุของกรรมที่สร้างขึ้นเจะปฏิเสธให้อันใดก็ไม่ได้เหตุใจผลใจพืชของใจผลของพืชใจก็คือผลของความดีความชั่วนั่นเอ ง, เองนอกจากใจไม่มีอันใดกระทาดีให้ใจ นอกจากใจก็มามีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทาชั่วให้ใจใจเท่านั้นนึกดีให้ใจใจเท่านั้นนึกชั่วให้ใจนอกจากใจก็มามีอะไรจะมาโรคโกรธหลงแทนได้คนตายมันไม่มีใจมันก็ไม่มีโรคมีก่วไมีหลงเพราะวิญญาณไม่อยู่ในท pues bueno? ี่นั้น สัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีตาเพราะชอบเรียงแลดูรูปสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงชอบมีเสียงเพราะจึงมีหูเพราะชอบเล็งพะชอบฟังเสียงสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีจมูกเพราะชอบชอบดมกลิ่นพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีลิ้นเพราะชอบเลียมรถ สัตว์ทั้งหลายทําไมจึงมีโผฏฐะพระคือร่างกายเพราะต้องการโผฏฐะพระมากระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นสัตว์ทั้งหลายทําไมจึงมีใจเพราะชอบนึกคิดเพราะไม่เบื่อไม่นายไม่เบื่อรูปพอใจเรงแรงในรูป ที่สมมติว่า ง, งามหรือไม่งามหรืออย่าง ก, กลางกลางถ้าเยอทายานในโลกกรูปะตัญหาถ้าเยอทายานในเสียงก็สัทธะตัญหาแต่เสียงธรรมะไม่จัดเป็นกิเลสนะถ้าเยอทายานในกลิ่นเรียกว่าคานะตัญหา ท้าเยอทยานในรถเรียกว่ารัศตัณหาท้าเยอทยานในโผฏฐภักตรกระทกายเรียกว่าโผฏฐพัตรตัณหาท้าเยอทยานในธรรมารมเกิดกับใจเรียกว่าธรรมตัณหาตัณหาทั้งหกนี่อารมณ์ทั้งหกความว่าเราย่นเป็นลงเป็นสอง ตาหูจมกูกลิ่นกายย่นลงเป็นโูคขันซะใจย่นลงเป็นนามขันน่รูปก็ดีนามก็ดีเกิดขึ้นแต่วามเป็ปว่วนแต่สลายอยู่ใต้อำนาจอันนิจจังถ้าว่าเป็นสองก็กายกับใจถ้าว่าเป็นสามก็กายวายใจใจกายกับวาจาจจัดเป็น รูปขันใจจัดเป็นนามขันถา้าเป็นสี่ก็ดินน้ำไฟลมธาตุสี่ถ้าเป็นห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือดินน้ำไฟลมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามนามังแปลว่าชื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาไปปวนใล้แตกสลายอยู่ใต้อํานาจอันนี้จังทางนั้นพระพุทธเจ้าสอน สอนทำชั้นสูงอดีตคืออะไร <_ d ata> ก็คือรูปกายนามกายที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็คือรูปกายนามกายที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือรูปกายนามกายที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือคําพูดที่ล่วงไปแล้วเรียกว่าวาจีสังขารอนาคตคือคําพูดที่ยังไม่มาถึง วัจจบันคือคำพูดที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็รล่วงไปล่วงไปเรียกว่าวัจจีสังขารยึดยสังขารเป็นพื้นนึกคิดเกิดดับไปเหมือนกันสังขารละเอียดก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปปวนและดับไปอย่างละเอียดสังขารหยาบก็เกิดขึ้นอย่างหยาบแปรปวนอย่างหยาบดับไปอย่างหยาบที่ไกลที่ใกล้อย่างละเอียดก็เหมือนกันเกิดขึ้ น, ข น, ขแนแล้วก็แปรปวนและแตกสลายไป สิ่งไหนจะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปสิ่งนั้นก็คือทุกจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหานอกจากทุกข์ม่มีอันไดจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ม่มีอะไรจะแปรปรวนนอกจากทุกข์ม่มีอันไดจะดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแปรปรวนทุกเท่านั้นดับไปเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงสะอย่าไปยึดถือว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลเลย พระบรมศาสนาสอนทำชั้นสูงเมื่อทำชั้นสูงศีลก็ชั้นสูงสมาธิก็ชั้นสูงปัญญาก็ชั้นสูงเมื่อทำต่ำศีล ส, สมาธิปัญญาก็ต่ำทำชั้นต้นของพระสุปฏิปนโนไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายามุขไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรเคยได้ทำผิดเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซะเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะเรียกว่าไม่ก่อเวรไม่จองเวรการทามาหา ย, ยัางชีวิตก็มีขอบเขตด้วย ไม่ร่วงอบายามุกการค้าขายก็มีขอบเขตด้วยไม่ค้าขายเครื่องประหัสประหารสัตว์น้ำและสัตว์บกไม่ค้าขายสัตว์เป็นเลือดสัตว์ที่ตัวฆ่าเพราะเป็นอาหารโคกระบือหรือเป็ดไก่ไมไ่เรียงไว้ขายหรือน้องปูน้องฟ้าน้องกุ้งพวกส่วนบปัปโ น, โนพวกมนุษย์สุวฏบิปันโน เมื่อเสียดายค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายจะเป็เอะไรเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าไปเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษต่างๆเรียกความมนุษย์เต็มภูมิมีหน้าที่จะเข้าสู่พระนิพพานง่ายบานหน้าไปสู่ทางพระนิพพานบานหน้าไปจนถึงอรหัตตมัก พอถึงอรหัตผลแล้วก็เป็นผลขาดตอนไม่มีบาปมีกรรมอะไรเลยก็เข้าสู่พระนิพพานไปสักอส่วนพระสวดาบันไม่เสียดายล่วงละเมิดสิ้นห้าดังที่ว่ามาแล้วไม่เสียดายล่วงละเมิดอบายามุกดังที่ว่ามาแล้วนั้นไม่เสียดายอยากจะถือศาสตาอื่นดังที่ว่ามาแล้วนั้นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่ใช่ได้อยากจะถือเลิกดียามดีไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเรียกว่าสุภิปันโนมีหน้าที่จะตรงไปสู่คเนพานไม่ถอยหลังเลยและไม่แวะซ้ายแวะขวาไม่แวะซ้ายแวะขวาหมายความว่าไม่แวะไปถือลัที่อื่นมาปนเปกันผีก็ถือเทวดาก็ถือต้นไม้ภูเขาขอถือเลิกดียามดีก็ถือ พุทธธรรมสงฆ์ก็ถือไม่ได้ถืออย่างนั้นถือพุทธธรรมสงฆ์สิ่งเดียวเชื่อกรรมและผลของกรรมสิ่งเดียวเชื่อธรรมนิยได้ดีทรรชั่วในชั่วเมื่อเชื่อธรรมนิยได้ดีธรรมชั่วใ้ชั่วความเชื่อตัดตรงน้อยแล้วสิ่งไหนที่รู้จักว่าชั่วสิ่งนั้นก็ไม่เสียดายอยากจะทำไม่เสียดายอยากร้องละเมิดสิ่งไหนไม่เสียดายอยากร้องละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักไก่เช่นไม่เสียดายอยากร้องละเมิดสิ่งห้า เพราะเห็นว่าเห็นห้าเนี่ยถ้าลวงละเมิดมันเป็นเวรเป็นภัยจริงจริงนี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมถ้าล่วงละเมิดอบายยมุขเห็นว่ามันชิบหายจริงจริงไม่มีสารอุทธรนี่พวกนี้เป็นพวกเฉลยดดวงตาเห็นธรรมและเห็นอเนจจังชัดด้วยเห็นสิ่งใดสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับสูนเป็นธรรมดายังทินชิตสมุทยธรรมังทรพันตังนิโรธ ทำมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับศูนย์เป็นธรรมดานี่หัวใจธรรมจักพปวัตนสูตรคือสูตรที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชาติพิทุกขาตูมเดียวท่านยกขึ้นนธรรมจักัปวัตนสูตรคือสูตรที่เป็นทุกข เกิดมาแลกเก็ต้องเป็นทุกชาติพิทุกขาอย่างนี้คำเดียวเท่านั้นถูกมดทั้งใจโลกธาตุใครจะฟังหรือไม่ฟังก็ถูกถูกตั้งแต่พมมาโลกลงมาชาติพิทุกขาชาลาพิทุขาความแก่ก็เป็นทุกข์ก็ถูกมัดตูมอีกแล้วก็ถูกมด คนตาบอดก็ถูกคนหูหนวกก็ถูกคนตาบอดอาจแลเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินท่านเทียบใจนั้นหน้าต่างปิดอยู่ก็เปิดท่านเทียบเป็นวุคลาภิธาชาติพิทุกขาคาเดียวก็ถูกหมดในใจนอกกระท่านี่มีชาติเป็นความเกิดชาติพิ<ม>ทุขะก็มิทุขะก็เหมือนกันมีชาตเป็นทุกมีบรรณะเป็นทุกขมีความโศกเป็นทุก มีความปรารถนาไม่ให้สมหวังเป็นทุกมีพัดผ้าจากสิ่งที่รักเป็นทุกถูกวัดใครจะฟังหรือไม่ฟังก็ถูกเหตุนั้นจริงว่าเทวานางสัทธังสุตตวาเทวานางอันว่าเทวดาทางหลายสัทธังอันวะเสียงสุตตวาก็ส่งขึ้นไปถึงเบื้องวนนับแต่ฟมมาโลกลงมา ชาตูมหาราชิกาตาวติงสายามาดูสินิ ม, มาณวตีประเนิเมตวะสวัตตพภมภิษฐาภมภะโลหิตามหาพมมาปณิตตาภาอปมานาภาอาภัตตาปฏิตาสุภาอัปมาณะสุภาสุภกินหกาอสัญญัตตาเวหัพภะลาอเวหาอัฏปาสุตสาสุตสีอก า, ากาิทชกาก็ถูกลงมาวัมดมีเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข้ามนั้นไป ข้ามอารม ป, ประพรมไปอกีกอาการสาัญการยตนะวิญญาัญการยตนะอาจินจัญญายตนะเนรัสัญญานาสัญญายตนะข้ามไปอีกเกียงเป็นพระละหันจึงไม่มีกองนามรูปสิ่งไหนที่มีกองนามรูปสิ่งนั้นก็คือทุกข์เราดีๆนี่เองเหตุนั้นท่านจึงไม่มา ก, ก, ก, อามอก่อกองนามรูปอีกเบื่อกองนามรูปลูกคืออะไรคือ ดินน้าไฟลมประชมกันเป็นกายเรียกว่าลูกนามคืออะไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราดีๆนี่เองถ้าพูดเป็นสี่ก็กายเวทนากายก็เป็นกายตามเดิมคือมีดินน้าไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่าลูกเวทนาความสวยอารมณ์ทุกทุกอุเบกขาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแลแตกสลายไปกิตที่เส้าหมองหรือผ่องแพร่เกิดขึ้นแล้ ว, ปป ว, ลวลก็ ด, ก ด, วดับไป ทำมารมที่เกิดกับจิตกับใจเกิดขึ้นหน้าก็ดับไปเหมือนกันเรียกว่าทำรร ม, มาลวัสนาด้นออกมาเป็นสองเท่านั้นถ้าไม่หลงกองนามลูกลูกรูปรปะโลกก็ว่ารูกรปปะธรรมก็ว่ารูปรปะขันก็ว่าลูกระธาตุก็ว่าเกิดขึ้นหน้แปรปวนแล้แตกสลายเหมือนกันนามะมาโลกนามะธรรมาานามะขนันนามะธาตุก็ว่าเกิดขึ้นหน้แปรปวนแลแตกสลายไปเหมือนกัน ท่านปารบมากก็มากออกมาจากใจถ้าย่นลงมาก็ย่นลงมาหาใจศีลก็มีตัวเดียวคือศีนใจถ้าย่นลงมาศีนห้าถ the ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวเหนี่ยวร่างอยู่ที่ดวงใจศีนแปดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นศีลแปดเกลียวเหนี่ยวร่างอยู่ที่ดวงใจศีนสิบก็เหมือนกันศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันถ้าไม่ล่วงละเมิด ก็เป็นเชือกสองรยเสกเกตเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจสมาธิก็คือตั้งมั่นลงในที่ดวงใจปัญญากราบรู้ในที่ดวงใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมพลกันอยู่ในปัจจุบันเลยศีลพระสวสดาบันศีลสมาธิพระสวัสดิบาลศีลสมาธิพระสกทาคามีศีลสมาธิพระอนาคามีศีลสมาธิพระ อรหันทรินสมาธิรินสมาธิปัญญาของพระสดาบันรินสมาธิปัญญาของสัจธรรมีรินสมาธิปัญญาของพระอนาคามีรินสมาธิปัญญาของพระอรหันทรินสมาธิปัญญาของพระปัจเจกรินสมาธิปัญญาของพระสมัธเจ้าจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้เพราะมียานสัพยุทธละเอียดละอิต่างกันมาก ปัจจุบันพระสวัสดิบันฑปัจจุบันสักขาคาเมีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระสักขาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระละหันปัจจุบันพระปัเจดปัจจุบันพระสมานาพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้แต่ปัจจุบันชั้นต้นของพระสวสดา์บันเป็นโลกุตระปัจจุบันเป็นสันติโกในปัจจุบันเป็นสันติโกบืองต้นของพระพุทธศาสนาสันติโกแปลว่าเห็นเองโอปัญิโกแปลว่าน้อมเข้ามาใส่ใจ วัจจตางเห็นเฉพาะตนคนเฉพาะใจเห็นแยบในเฉพาะใจเป็นบรรลังจึงมีทำยิ่งยอนกว่าคํากันทำแต่ละวรรบาตส่งต่อพระเนพานหมดขัสดาวันเรียนหนโมเบื้องต้นจบแล้วเรียนพุทธทางสนงางคัตฉามิเบื้องต้นจบแล้วส่วนพระอรหันต์เรียนหนโมเบื้องต้นเหมือนเรียนนนโมเบื้องปลายจบแล้วนนโมแปลงนอบน้อม นอ้นอมๆจนแม่มาเกิดแก่เแ็บตายนอ้นอมๆจนแม่มาโรคมาโกรธมาหลงเรียกว่าพระหันเรียนนะโม่จบแล้วพระสวัสดิบาลเรียนละโม่เบื้องต้นไม่สงสัยอยากล่วงละเมิดเสียน่ห้เคารพเสียน่ายิ่งกว่าชีวิตเคารพสิ่งที่จะชิดหายิ่งกว่าชีวิตเช่นเลขผาบัตรเบอร์เคารพไม่ล่วงละเมิด เพรเป็นทางเคียรายตรงๆเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเรียกวันณโมเรียนณโมเบืนน้องต้นจบเรียนปัจจุบันเบื้องต้นจบรากเงาของกุศลทีนี้กุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นก็บานหน้าไปสู่พระนิพพานตัมกายนั้นลงมาก็เป็น น้ามหลายคนเป็นคนหลายใจทำไมจึงมีโลคีมาปนไปพระพุทธศาสนาก็เพราะเอาลูกเขยกับพ่อตาไปนั่งเตียงเดียวกันเอาคำสอนรัฐที่อื่นๆมาปนไปศาสนาพุทธก็เลยมีทั้งโลคีก็เลยมีทั้งโลพุทธะ แต่แท้จริงแล้วพุทธศาสนามีแต่โลคุตระพุทธศาสนาโยมของพระพุทธศาสนาก็เป็นโยมที่เป็นชั้นสวดาบันเป็นส่วนมากพระเนนของพระพุทธศาสนาอย่างต่ําก็เป็นสวสดาบาลเป็นส่วนมากแต่วพวกเราถ้าต่ํากว่านั้นลงมาก็เป็นโยมสมมุติก็เป็นพระสมมุติเนนสมมุติ ไม่ใช่สุบตจปันโนเราจะเอาขนาดไหนได้ทั้งนั้นเราจะถือเราจะประเจบัติขนาดใดได้ทั้งนั้นแต่ชั้นโลกีก็เป็นบุญอยู่เหมือนกันแต่ว่าหมดบุญแล้วก็มาหาบาปหมดบาปแล้วก็มาหาบุญ เมดบุญแล้วก็มาหาบาปวนเวียนอยู่ส่วนบุญสุดปฏิปันโนไปบุญข้าวหน้าไปสู่พระเนพานเป็นบาปก้าวหน้าจะมีทางไล่หลอไปจนหมดไม่ได้เป็นบาปวนเวียนไม่ใช่เป็นบุญวนเวียนบาปวนเวียนบุญวนเวียนต่ํากว่าพระสสดาวันลงมาทาบุญก็ได้บุญจริงไปจนถึงพรหมโลกก็ได้แต่เป็นพรหมโลกโล ก, กีเหมือนพรหมโลกของพ่ออาณาลดาบด อุทาดาบทรามาบทตระแปดมื่นสี่พันกับยังจะได้ลงมาเกิดแก่เก็บตายในวัดตาสงสารอีกพระไม่ใช่พระโสดาบันเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ายังไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรร ะ, ะเหตุนั้นพระบรมศาตราเมื่อตัสรู้แล้วจึงจะไปเทศนาเอาท่านขอ ขนึกเห็นบนคุณท่านที่เคยไปเรียนสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดแต่ได้ทราบข่าวในเทวดาบอกว่าหรือมีญาณบอกว่าท่านตายไปแล้วในเจ็ดวันแล้วเออเสีดยดายนอนถ้าท่านยังอยู่ก็จะถึงพระสวสดาวันแล้วเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็ตรงไปหาพวกกัญจาวัคคีแล้วก็จะไปเทศเอากัญจาวัคคี พระพุัญธะักชีพระโกนัญญาพรจึงพระโสดถึงพระโสดาราบันอยู่มาอยู่มาก็เทศเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในระหว่างกลางพันษาก็สำเร็จสรรหันผู้ที่เรื่อมใสว่าพุทธศาสนาเป็นผู้ที่สร้างบาลมีแก่ก้ามาแล้วผู้ที่ยังไม่เรื่อมใสว่าพุทธศาสนาบารมียังอ่อนอยู่ พวกเราก็มาได้มีแก่กล้ามาแล้วจึงด้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาทัพแต่และตัวละตัวมันก็จะไปพระนิพพานหมดแต่กรรมของมันยังมหัน์หมดมันก็ยังไม่มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนามันต้องมาเป็นมนุษย์เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อน มันจึงจะสามารถสําเร็จพระสวัสวันสกทาคามอนาคามีเป็นลำนํำดับไปลัที่อื่นก็เหมือนกันศาสนาอื่นก็เหมือนกันก็จะมาเริือกสศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะข้ามทะเลหลงไปได้เช่นพระโมคคัลลาสาดีบุตรเป็นต้นก็มาจากสนใจนาตบุตรจึงมาฟังเทศของพระอัจฉริพระอัจฉริเทศเอาก็ถึงพระสวัสดวัน พภาษาในอุไประเทศขโมกขาพระโมกขาก็ถึงปัสดาบานแล้วก็ไปหาพระบรมศาสนาออกจากสนใจนาฏตบุตรแล้วก็ไม่ช้าไม่นานก็สำเร็จพระรหัสเป็นสาวกว่งซ้งายว่งขวาพระปัตราสนาเป็นสาวกว่งซ้งายว่งขวามาตั้งแต่ขั้งพระเจ้าอโนมทัด ส, สีอโนมทัด ส, สีชนุตะตะโมวัตโตโมโรขปโชโตนนาละโทวรณสาละถิพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อเ น, นกะสะตะโกตโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดพระพุทธเจ้าก็มีคําสอนอันเดียวกันสอนมนุษย์สอนวัตสวรรค์สมบัตพรหมสมนัตินิพพานสมบัติก็อันเดียวกันไม่ได้มีข้อแม่ข้อพ่อข้อปู่ข้อย่า ก, กันเลยตรงกันเลยไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่ก้อนพักก้อนผของชาวโลกกูดึงไปมึงดึงมาตามกีเลสของพักของใครของมัน คำสอนพระพุทธศาสนาตรงเพียงเลยมีสินห้าอันเดียวกันหมดมีความละอายต่อบาปมีความกลั ว, วต่อบาปเท่านั้นเจ้าพกครองโลกได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มายืนยันอันเดียวกันไม่ได้แข่งเรียกแข่งเด่นกันเลย น, นัชาวโลกตั้งก้นไว้ก้นหมูกม้อพระก้พวกขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเอ้า มันวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้มันมาออกมาจากไหนมันก็ออกมาจากศีลห้าใช่ไหมเรื่องฆ่าก็ออกมาจากศีลห้าเรื่องรักเรื่องขโมยก็ออกมาจากศีลห้าใช่ไหมเรื่องการเมการโมก็ออกมาจากศีลห้าใช่ไหมเรื่องมุสาวาตต้มตุนก็ออกออกมาล่วงมาจากศีลห้าใช่ไหมนั่นเรื่องดื่มชื่ราเมงอะไรวุ่นวาย ทะเะไม่ว่ากันจนถึงกับฆ่าขับแกงกันก็ออกมาจากเสี้ยนห้าใช่ไหมถ้าชาวโลกไม่เสี้นห้าบริเวณบูนแล้วกถหมายก็ไม่ต้องตั้งมากทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีสตรูนก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนก็ไม่สะดุ้งผวาคราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าใช่ไหมเหตุนั้นจึงทิ้งธรรมะไม่ได้ มันเมนื่อหละเนี่ยเคล่นกระบ่กหายวอกหลายเท่า ไ, ไหร่เหนี่อยเลยจะบที่พรรษาก็าตามจะล้านจะเดินโยกรมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ําก็ตามถ้าเสียดายยังอยากจะล่วงละเมิดอบายามุกเสียดายอยากจะล่วงละเมิดศีลห้าอยู่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน เสียดายอยากจะถือลักิยามดีอยู่มันก็เป็นโลกีบุญโลกีบาปอยู่ไม่ใช่ใช่โลคุตระบุญโลคุตระบาปโลคุตระบาปก็มีหรือมีสิบาปของพระสวดาวันนับวันจะร้อยหลอไปไม่ได้บานหน้าบุญของพระสดาวันนับวันจะบานหน้าไปสู่อรหัตตะมัต ต่อไปนี่ก็จะให้พรก็เอาแล้วนะเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี ย, ด ย, ด ย, ดยถึงยังไงก็ตามให้ถึงว่าพุดพธรรมพระสงค์ยักษ์กรแล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอยอมเป็นข้าเป็นท่าถ้าพูดพธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณดาบเช่าเข้าสู่พระนี่พานแล้วลึกได้ไม่ลได้ก็ดี ขอข้ามาโทษต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวันไม่มีประมาณตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและเลิกได้เลิกได้ก็ดีจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ได้ลึกที่ปฏิปฏบัติฏบูชาจับเท้าเข้าสู่พระนิพพานขนจากทุกในายวัฏฏาชกษาโดยด่วนตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกวันเทินและเลิกอย่างนี้แล้วถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปูกขาดจอขาดชิ้นลมปรานเวลาไหนก็ไปสู่สุขติ ผู้ใดถึงว่าพุพทธธรรมพระสงฆ์แล้วผู้นั้นละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์เยเจยเจพุทธจังสระนางคาตาเสนเตขมิตรสันติอปายภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปิภูเรศสั้นตีติมีในมหาสมัยสูตรและก็มีใน ส, ส, นน ส, ส, สูตรสิบสองตำนานอีกนัตติเมสถานังกัอย่างสนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสถนะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยกล่าวคำํำซัพ์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เรายังเกียรตรัตน์รองเกวิติวิทังทุรัตนงพุทธสมางนัติตัดสมาโสตเทภวันทุเตมีในวิปัสสิตที่พระองค์ทรงมัญญะที่ภูเขาคิดจักูดวิปัสสิต ผู้ใดถึงพุทธธรรมระสงฆ์ตอบเท่าเข้าสู่พระนิพพานผู้นั้นละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์ผู้ไม่ถึงพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพื่งตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานก็มีคติเป็นสองไม่สัตว์นรกก็สัตว์กิเลสสารน่ะเปรตอสุรกายพระพุทธเจ้าพู้เข้าข้างตัวหรือไม่ พูดตามเป็นจริงของธรรมไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเลยผู้เข้าข้างธรรมเป็นธรมมาธิปไตยไม่ใช่อัตาธิ่ปไตไม่ในบัญญัติเข้าข้างพักข้างพวกข้างโลกเป็นธรมมาธิปไตยตึงเป็นศาสนายิ่งกว่าศาสนาใดๆทั้งปวงในโลกผู้ใดเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมทางใกล้และทางไกลลึกและตื้นด้วยอบายใดๆก็าตาม ก็เท่ากับว่ากองน้ำลายมวนน้ำายเึ้ืนฟ้ามดไตโกระทาใ น, นีเบียดเบียนพระพุทธศาสนาทำลายคนท่าดูดูมันก็ตกใส่หน้าของตนใช่หรือไม่กำฝุนต้อลมดูดูถ้าลมไม่รับไวมันเข้าตาเข้าปากของใครของมันใช่ไหมคว้างค้อนใส่ต้นเสาดูดูคว่างไกลมันไม่ถึงคว้างใกล้นักไหวเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหมนั่น เหตุนั้นเราจึงยอมรับรับถือพระพุทธศาสนาถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเราจะเบียดพริวไปสักเพียงใดก็ต า, ามกรรมและผลของกรรมมันไม่อยู่ เราทำดีได้ดีจริงๆเราทำชั่วได้ชั่วจริงๆเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาผู้ทำชั่วได้ช UM ั่วก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วผู้ทำดีได้ดีก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วพระพุทธศาสนามีพยานทั้งทางขึ้นและทางล่องเช่นพระเทวทัตเบียดเบียนพระพุทธศาสนาอย่างหนักครุกรรมก็ไปลงชูนรกมหาเวทีนรกนั่นก็เป็น พยานของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเช่นวอกคาราสาดีบุตรพ้นจากกิเลสแล้วก็ไปเป็นพระรหัน์นั่นก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาอยู่ทั้งทางขึ้นและทางลงหนี้ไปไหนก็ไม่พ้นออืย่อมเป็นพยานพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองผู้ตายง่ายพระบรมศ า, ศาสดาเขาบอกว่าแต่ชาติก่อนเขาเคยเวียดเวียนสัตว์มากเขายังเกิดมาตายง่ายผู้ที่มีอายุยืนก็ตรงกันข้ามนั่น ก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วไปไหนก็มีแต่พยานพระพุทธศาสนานั่นนั่นพิจารณาให้ดีเถิดเนี่ยเอา้าพวกที่ทาทุจริตได้มาในทางที่ไม่ชอบมันก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วมันก็ไม่รวยเดี๋ยวก็ถูกสอบกลับหลังหรือผลของกรรมตามสลองนั่นเองผู้เล่นนวายามุก ก็ชิบหายอยู่ซึ่งหน้าอันนั้นเล่นฟไฟไหม้บ้านไหม้เรือนมันก็ไหมแต่ว่าเรือนมันไม่ไห ม, ไมที่ดินฟไฟไหม้อาบายอมุบไหมที่ดินด้วยไหมที่นาเลือกสวนไรนาถ้าไม่หยุดหย่อนผอนลงมันก็เป็นพยานพระพุทธศาสน า, าอยู่แลยย้วผู้ที่เล่นก็ไม่ได้ชิบหายในส่วนนี้ก็เป็นพยานพระพุทธศาสน า, ศ า, ศา อ, อยู่แลยย้วนั่น นั่นนั่นทุกไม่เสียแรงไม่เสียเลยผู้เกิดตระกูลต่ำเพราะไม่เขารบรบนอบครัาอาจารย์และผู้เท่าผู้แก่จึงได้เกิดตระกูลต่ำนะก็เป็นพระพุทธเป็นพาญานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนั่นนั่นผู้เกิดตระกูลสูงก็ตรงงานข้ามนั่นก็เป็นพาญานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วใช่หรือไม่พวกที่ถือว่ามันมีบาปมีบุญเข้าไปได้ไหม เขาก็ไปไมาได้แต่จะเจอักันแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นพย า, ยานพระพุทธศาสนาอยู่แล้วถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนั่นนัน่นนพูดน้อยไมพ่พออธิบายพูดหลายมันก็เพิดใจชาวโลกใช่หรือไม่อืนิดดีสหายดีพ่อดีแม่ดีทงไหนที่ ดีก็ส่งเสริมสิ่งไหนที่ชั่วก็จีดกันถ้ากีดกันไม่ไหวก็วางโอเบขาสะกพระบรมศาสนาแต่พระบรมศาสนาไม่ได้อสอนให้หากินในทางโอเบขาหนาเดียวเพราะไม่ใช่ศาสนาพระปฏิเจตศาสนาพุทธก็มีสั่งสอนกันข้อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดี ญาติดีไม่ดีสายดีตอนไหนทำดีก็ส่งเสริมตอนไหนทําชั่วก็เกียดกันถ้าเกียดกันไม่ไหวก็วางเฉยสักตามกรรมของสัตว์หนอเท่านั้นเองส่วนถ้าพระเจดท่านไม่กล่าวเลยใช่ช่างไร้ช่างชีรีช่างพราถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นที่สองของพระบรมศาสดาอยู่เป็นพระพุทธเจ้าพระเจดก็พระพุทธเจ้าท่านที่สองอ ย, ยังสูงกว่าสาวกอีกด้วย อาตัวรอดท่านมีผู้ใส่บาตรให้กับโอ้โหชุกขังโอาโหชุกขังแต่ก็เพาะหนีไปเลยแม่อธิบายบาปบุญคุณโทษให้ฟังเลยแต่ผู้ใดได้ทานกับท่านก็ยังมีอานิสงส์มากอยู่คําสอนใ ด, ดในไตโรโลกธาไม่เหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาคําสอนพระพุทธศาสนาลึกซึ้งมากยิ่งพิจารณาไปเท่าใดก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งมีเหตุผลอีกด้วย ก็มีคนกล่าวตู่พระบรมศาสดาว่าก็น่าจะเอาโกนทันญะวะ ป, ปะพัทธยะมหานามะอัคคีเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาทําไมจึงลําเอียงไปเอาพระโมกคัคณาสาดีบุตรผู้บวชภายหลังมาเป็นสาวกเบืองซ้ายเบื้องขวาพระบรมศาสดาลําเอียงพยระบรมศาสดาก็แก้เขาว่า เราไม่ได้ลำเอียงเราไม่ได้ลำเอียงเลยเพราะท่านเหล่านี้ปราถนาเป็นสาวกเมืองใต้เมืองขวามาแต่ขั้งพระเจ้าอนุมัติสีแล้วข้าพระเจ้าก็ให้ตามเรื่องของมันนั่นเองข้าพระเจ้าไม่ได้ให้แบบโง่ๆเช่นพระ อ, อานน์เป็นน้องอาของพ่อของเราก็จริงแต่ท่านปรารถนาเป็นสาวกเมืองเป็นพุทธะอุปถากมานานแล้วแต่ข้าง ครอมกันกับพระเจ้าอนโนมาทศีนั่นเองพรอมกันกับพระมวกขลาคสาบุนั่นเองเราก็ให้ตามความปรารถนานั่นเองไม่ใช่เราให้แบบลำเอียงเราทําอะไรไม่ได้ทําแบบก็โง่ต้องมองดูวาสนาเขาเสียก่อนเหตุนั้นเราจึงรู้จักใจของพวกท่านทั้งหลายหมดพวกท่านทั้งหลายนึกไปทางไหนเรารู้หมดเดี๋ยวนี้พระบรมาศารา ตกลงก็ยกชงขาวผู้มยอมยกชงขาวก็คือพวกครูทั้งหกก็ไปอาเจียนตายซะเห็นไหมในยมกปาฏิหาร์ตกน้มตายก็มีทําท่าจะเหาะแข่งดีก็พรบรมศารานัดลูกศิษย์ไว้คนทั้งหลายก็มาดูเต็มโลกสมัยนั้นวันนี้ลนะพระบรมศาลาจะแสดงอภินิหาร กับครูทั้งหกเพราะเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพอลงจากชั้นดาวดึงมาก็จะมาแสดงปาฏิหารเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพ้อหนึ่งเขาไปนัดลูกศิษย์ไว้ทำท่า ท, ทําทางจะเหาะขึ้นก็ลูกศิษย์ก็ห้ามไว้เอ้ยของอย่างนั้นไม่สาคัญยาเลยครูบาอาจารย์ทําท่าดึงไว้ดึงไว้เอาไปเอามาก็ เออไปอาชีมเป็นเลือกตายก็มีกระโดดหน้าตายก็มีนั่นมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์แกผู้อยู่ข้างหลังยอมเชื่อพระพุทธศาสนาผู้ที่เดอย่างหนาอยู่ก็มายอมเชื่อตกกลงพระพุทธเจ้าใครจะกีดกัน้ม่ก็ไม่น่้สร้างบารามีอยู่ก็มีผู้มากีดกัน แต่พอเต็มบา ร, รมีแล้วก็โผล่มาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพึงไผยเลยถ้าคนดีสืบโลกไปไม่ได้โลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าคนดีสืบพระพุทธเจ้าไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าพอสร้างบาลมีเต็มตือนแล้วก็โผล่ออกมาโผล่ออกมาเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคไม่มีใครไปกีดขวางได้นั่นนั่นนั่น นับแต่กลับก็อสงไขอสงไขกลับแล้วแต่ละกลับก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้าง6พระองค์บ้างสามพระองค์บ้างแต่ล่วงไปแล้วก็อสงไขอสงไขกลับจะมาข้างหน้าก็เหมือนกันเหตุเช <c oughs> นั้นจึงมีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกประจําโ ล, ก, ลกยุกยุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาแต่นา น, น, านๆจึงจะมาทั้งร้านปีจึงจะมาประจสร้างบ ร, รมี แกกล้ามาแล้วก็โผล่ออกมาอย่างึงผายเลยไม่มีท่านพรายจิตขวางไว้ได้เหตุนั้นจึงยอมรับรับถือพระสมานรปัตติเจ้าเมือ่อน่ะมันเป็นโรคร้ายแน่วเป็นโรคเป็นโรคร้ายแนวเป็นโรคร้ายแนว หลอกไรเนี่ยไปหลกหล า, หลานี่ยหลอกหัวใจติดเรื่องลอกแบนว่ยองเนว่ยเห็นเห็นไหมก็ามาอยู่กับหลวงปู่มหาบัวเอกที่อำเภอคําชะอีสามพันสาออกจาการัานมาก็สองพันห้าร้อยบ้องต้นมาอยู่ฟูเก้าสองพัห้ารอยเบื้องปลายก็มาอยู่นี่จนถึงทุกวันนี้อันนี้ไม่ใช่วัดมีเพียงเท่านี้เนอ นี่ร่มโถงมั้ท่านี่เป็นตรอกเป็นซอยไปทางนั่นอีกเป็นตอกเป็นซอยไปทางนั่นอีกมีกุฏิอยู่นี่ประมาณแปดชิบหลังพระมีอยู่เดี๋ยวนี่เก็บชิบกว่าแต่ว่าความดีความชั่วไม่อยู่กับน้อยกับมากอยู่กับหัวใจแต่และคน <laughs> ใช่ไหม ทำดีก็ได้ดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วอยู่ที่ใจนิสอากาศไม่ได้มาแย่งเอาความดีความชั่วด้วยจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตนเถิดอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้ทำจิตให้บันเทิงในทางทำดีเถิด อย่าเป็นผู้บันเทิงในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระทางทำดีไว้ที่ดวงใจของตนเถิดอย่าเป็นผู้มีอิสระทางทำชั่วเลยธระบรมศาสตาสอนย่อเข้ามาพยายามละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พอเรามศ า, าสานาสอนย่อลงมาอีกเวลาต้องการยอ่อเวลาต้องการขยายก็ขยายออกเวลาต้องการพูดน้อยก็ยอ่อลงมาหายใจเวลาต้องการพูดมากก็ขยายออกจากใจไปผู้ใดต้องการจะถึงโลกุตฑรธรรมแล้วบานหน้าเข้าสูพ่พระญานง่ายก็ ยาเสียดายร่วงละเมิดเสียน่ายาเสียดายร่วงละเมิดอบา ย, ยมุขยาเสียดายถืออยู่ยงคงกระพันยาเสียดายถือเลิกดียามดียาเสียดายสาบแช่งท่านผู้ใดถ้าเขาทำผิดมาแต่ชาติก่อนหรือชาตินี้ก็ให้แลวกันไปซะข้าพเจ้าจะไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยต้องนึกอย่างนั้น เรียกว่าไม่จองเวรเรียกว่าสุวัจนปนูเราจะไม่ยินดีถือรัฐิอื่นถือศาสน า, าอื่นเลยจะขอมอบกายถวายชีเวส ต, ต่อพระพุทธธรรมประสงค์ตามเท่าเข้าสู่พระนิพานจะขอขมาโทษต่อพระพุทธธรรมประสงค์ตามเท่าเข้าสู่พระนิพานและลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีอธิษฐานไว่อย่างนั้นตั้งสัจจะไว้อย่างนั้นขาดตัวแล้วนะก็เรียกว่า ชุบเจแปนโน่บานหน้าเข้าโซ่พราในผานไม่ถอยหลังเลยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นโลกีเจตนาก็เป็นโลกีศีลก็เป็นโลกีสมาธิก็เป็นโลกีปัญญาก็เป็นเจตนาโลกีไม่ใช่เจตนาโลภุตระอะจะเดินจะกลมภาวานาอ้าปากินลม หรือเค่งซักเพียงไหนก็าตามถ้าเสียดายร่วงระเบิดศีลห้าถ้าเสียดายร่วงระเบิดอบายามุกถ้าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพั์ถ้าเสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีอยู่มันก็ไม่ใช่สุวิญโนเบื้องต้นยังจะได้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารอยู่นานเนินชาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะบานหน้าไปสู่พระนิพพานโดยง่าย สักคาถามีอาณาคามีอาหารหันต์ก็อยู่ในอุ้ง ม, มืออุ้ง ม, มือสติอุ้ง ม, มือปัญญาเพระสติพระปัญญาจะบานหน้าไปสู่ความเจริญไม่ถอยหลังเลยมีความหมายเท่านั้นแหละแยกว่าประพฤติเด็ดเดียวผู้ประพฤติเด็ดเดียวก็คือผู้ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดอบายามุข ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะถือสาธาอื่นเรียกว่าผู้นั้นประพฤติเด็ดเดียวไม่ใช่จะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมจึงว่าประพฤติเด็ดเดียวเข้าใจไหมทีนี้เอาแล้วนะทีนี้นะอ อ, อาอะเออเมื่อเม่อ ต mm. so um> um> ู้มันนี่ค่ะคุณแม่ันมีข้างเดียค่ะไปมือกุญลงตู้มันเอาเตียงเตียงอันเจ็อันสั้นๆนะเนี่ยรบูนี่เองมันพู้ทำเอออ่าก้าเอีที่นั่งโกนผมมันก็รบูเองทํามันผู้ทำนั่นนั่นดูมือดูอ่า กรหลวงปู่กรอบอุจจระหลวงปู่อยู่สามปีไปปีที่แรกท่านยังไม่ป่วยปีที่สองที่สามที่สี่ท่านก็ปว่วยก็ไม่มีแต่เท่านั้นงานเกี่ยวข้องกับองค์ท่านมีมากมีงานฟืนงานไฟสารพัดเอาไฟไปให้ผิงแล้วซักผ้าซักผ่อนอะไรสารพัดครบหมด เก้าอี้นั่งโกนผมก็ได้ทำแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงปู่มหาชกรเราไม่ได้ทําลวงหน้าทนาาจย์มหาเก้าอี้ขององค์หลวงปู่นั้นมันโคกแคบโคกแคบไปมาอยู่เตียงประมาณกันเตียงไม้ไผ่กระผมต้องการจะทําให้ถ้ากระผมไม่ทํามันก็ทับกระผมเพราะกระผมเคยสร้างโลกพวกครูบาอาจารย์ไม่กระทับไม่ ไม่ทับเลยเพราะมาเลยเคยสร้างโลกเพราะบวชมาแต่เนี้ยเาพูดอย่างนี้ก็พูดท่นถ้ากระผมไม่ทามันก็ทับกับผมครับเ๋ยเราพูดเนี่ยพถ้ากับผมจะไปทํารวงหน้าเขาฆ่ากัลยาบวช ด, ดีต่อองค์คูบาอาจการก็ให้องค์คูบาอาจารย์ขอโอกาสให้กระผมก็จะเข้าไปฟังด้วยแล้วก็ไปหมอบฟังหนูว่าถ้าก็ขอโอกาสถ้าก็บอกว่าทำสักถ้าอยากทําก็ทําสักก็เลยทําแต่เนี้ยนี่ที่นี่ ครูบาอาจารย์ท่านก็ทําช่วยอยู่เราทําให้กระทบกระเทือนผู้ใหญ่ทีนี้เราก็บอกว่าแล้วก็ในเรื่องนี้เราก็ไปกอบอุจจาระของท่านแล้วหลวงปู่มหาก็มากระซิบที่หูครูบาอาจารย์แบบนี้ไม่ท้าสมทะนะ่านอาจจะไปเอาจอบเอาเสียมต้องเอาเมินนะหลวงปู่มหากระซิบบอก เออพอใจเต็มทีครับม่านะ่แต่ว่าอายุของเรามากกว่าท่านแต่ว่าบวชทีหลังท่านเพราะเราไปสร้างบารมีไมสร้างบารมีใบสร้างบารมีทังโลกอยู่เพราะท่านไม่ได้ไปสร้างบารมีทางโลกฮะใครวกไ้พวกได้กาะ อือง้อไปสร้างโลกง้อไปสร้างโลกอทีนี้แล้วเอามือกรอบคุกเข่าอีกเสียด้วยนี่พุ่งขีนี่พกกุ่งขีเดีเอาไปตองอ่งไฟแล้วก็ให้สมเด็จเอาอาไฟมารองนี่แล้วก็กรอบใส่นี่เอาอเสียเข้ามาใส่นี่กรอบนี่มือของเราเราก็ตัดเล็บให้ดี ตัดแล้วพอดีสมัยนั้นไม่มีถุงมือเนอสมัยนั้นถ้าเราหาอบายทำอย่างนี้ท่านก็มาให้ท่านก็มาใ ห, าให้ให้ทำเลยต้องรักษาบาราีอมเวลาเราจะไปร่างมือมีบริวาณเแห่แห่ถือกระบว o y ให้มีแต่คนจะแย่งทำทีนี้คนจะไม่แย่งทำทีนี้ก็เลยไปศึกษากับท่านอาจารย์มหาลวปุ่มหา มีพูดจะมาแยกทำครับเออข้อวัดของใครของมันก็มีอยู่ทุกท่านแล้วคนอะสามอันสี่อันห้าอันแล้วอันนี้ท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นสงฆ์ไม่ได้แต่งให้ท่านท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นนะผมอนุโมทนาผมจึงบอกวิธีให้เอามือกอบเฉยๆไม่ใช่สงฆ์บังคับท่าน<ม>ก็ท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นเองอันนี้สําหรับเอามือเนี่ยไม่มีใครใครก็แยกทำแต่สิ่งที่สะอาดนะ เพรท่านเป็นผู้รับอาสาเมื่อท่านไปทิ้งให้คนอื่นแล้วมันก็ทัดท่านถ้าหากว่าท่านตายมันก็เป็นสถานหนึ่งถ้าหรือท่านนี้จากนี่ไปก็เป็นสถานหนึ่งถ้าท่านอยู่ในนี้เนี่ยก็ท่านไปทิ้งให้คนอื่นคนอื่นก็มีขวัดอยู่ไปสวนกันทําไมอืมไปรบกันทําไมรบผัมาหาไปเที่ยวดุคนอื่นคนอื่นก็เลยเข้าใจความหมายแต่ก่อนเขาก็บอกว่าอีตาเท่าหังขี้ทีนี้เราก็ไปหาทีนี้ <laughs> เนี่ยโจมตีเหมืนกันถ้าท่านไปปล่อยให้คนอื่นทําท่านก็เสียท่านที่ทอะท่านเป็นคนลาะแหละอืงทําอะไรไม่ถึงพริกถึงขิงเพราะทําท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นถ้าท่านมันเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมันก็เป็นสถานหนึ่งมันก็มีเหตุผลพอทีเพราะนั้นก็ดิ้นไม่ได้เลยแล้วท่านก็มาพอใจให้ทําอีกใช่ด้วยคนอื่ น, นคนอื่นเดี๋ยวทําก่อไปก่อมาไปลากมา จะทำอย่างนี้ให้ท่านเห็นท่านก็ไม่ให้ทำต้องเสียรักษามานามทำให้เขารับท่านก็ไม่ให้ทำรักโอมนไม่ใช่ของง่ายจับสิ่งของกับองท่านอย่างนี้ท่านจับอยู่อย่างนี้ถ้าเราไปจับเอาสิ่งของกับขององท่านบางทีท่านบางทีท่านก็จับอยู่อย่างนี้อันนี้มันหนัก ก้าจะขอเอาอะไรนี่ค่อยรับจับค่อยดึงมาดึงมาถ้าท่านกำแนนเราก็ไม่ต้องดึงท่านเห็นเราขอรบท่านขอวางถ้าจะไปขยเอาอย่างนี้นะไม่ได้โขหัวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ของ่ายกับหลวงปู่มัน่นไม่ใช่ของ่ายเนะไปอยู่กับองค์ท่านมันก็ได้เรียนมดเราก็ว่าเราฉลาดได้เรียน วางฝาฝาพิดตุ่มน้ําถ้าเราสังเกตดูว่าฝาพิดตุ่มน้ําถ้ามีน้ําน้อยมันก็ดังขุ่มอย่างนี้ถ้าเราไปวางเราก็ต้องวางอย่างนี้ ก, ก่อนนี่เวลาวางกบวยก็เหมือนกันอวางอางงย่นี้เวลายกขึ้นก็เหมือนกันเวลาวางก็เหมือนกันจับของวางของต้องให้มีสติอยู่กับหลงผู้มัีจะไปทําทุ้งเกลียงอย่างนี้ไม่ได้นะเดินไปทำงานกันเวลาท่าน บางทีท่านก็ลองเราดูเหมือนกันเดินมาท่านแกล้งพูดถามแล้วก็เฉยไม่ต้องพูดกราบแล้วนั่งแล้วเราจะพูดแล้วผู้มั่นไม่ใช่คนธรรมดาเนอะแลัวผู้มัน่นเดินไปเดินมาเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาท่านมีสติอยู่ทุกอินยาบทของท่านท่าไม่ได้มีสติออกนอกโลเลเหมือนพวกเราจับสิ่งจับของเป๊กอย่างนี้บางทีท่านก็ ท่านว่าให้ท่านหลวงปู่ว่าไม่ใช่ขอ ง, งา่ายหลวงปู่มหาก็เหมือนกันนะหลวงปู่มหาบัวก็ไม่ใช่ขอ ง, งา่ายแต่สมัยนั้นญาติอยอมไม่มากไม่เหมือนทุกวันนี้เรื่องกระตุดพิษสมอนมันเกิดมาทีหลังหลวงปู่มั่นแต่ก่อนมันอยู่เี่ไหนไม่ทราบ เรื่องพระเล็กพระน้อยพระขังอะไรอะไรแขวนคอแขวนคางนี่ไม่มีในสมัยหลวงปู่มั่นมันมีที่หลังหลวงปู่มั่นแต่ก่อนมันอยู่กับพวกนักเรียนอยู่กับหปู่กับพวกที่ไหนไม่ทราบแต่มันเกิดขึ้นที่หลังหลวงปู่มั่นนี่พา น, นี่เองเราได้เขียนไว้ในชีวประวัติของเราแล้วเราจะไปเสกไปสันให้ท่าน ยังไงท่านขังก่อนเราแล้วพระพุทธรรมาต พ, พุทธเจ้าท่านบวชก่อนเราด้วยเราจะไปเชะหูเชะตาบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนเราแล้วรับปูกมั่นวิชาขังวิชาเลขวิชาผาพระบอกเลขบอกผาไม่มีในสมัยนั้นมันเกิดมาทีหลังสมัยนั้นไม่มีจะไปนั่ง สมาที่ให้พระพุทธลูกขังอืมพระพุทธลูกสมมติเราเป็นพระพุทธลูกก็แล้วเท่านั้นไม่ควรจะไปทําพิธีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนั้นหลวงปูมัน่นอืสมมติเราเป็นพระพุทธลูกไม่ก็เหมือนกันหรือจะล่ออะไรก็ตามไม่จําเป็นจะไปปลูกไปเสกให้ท่านขังท่านขังก่อนเราแล้วเข้าสู่พระนครแล้วบ้าหรือท่านพูดอย่างนั้นแล้วก็เขียนในชีวประวัติของเราเหมือนกันส่วนพวกพระปีนี้ห้าปีนี้หกไปอ่าน เขาไปเห็นชีวประวัติของหลวงปู่เออหลวงปู่เนี่ยหาอวายด่าพวกเราจริงจริง <laughs> ไม่ไหนหาอวายเราพูดตามตามคําขององค์หลวงปู่มั่นเราไม่ใช่ว่าเป็นมัติของเราพระเรียกพระน้อยทุกวันนี่เขาขายเขาขายเวางตามดินเลยทุกวันนี่เออหน้าสังเหตจริงจริง เดี๋ยวพูดน่าเลยพออธิบายพูดรลายพอนักเดียวเขาเอาขอเขานี่เสร็จใช่ไหมข้างแม่หรืออาวาณิวาฟูรากาลีภเรียันี่สาคารัง เปว่าไม่ไหวตัวที่หนัเปยตาลังอุบาคปฏิอิจธิ์ตางวิทิ์ต่งตัมังคีควาเไม่ไวสมิทธตัวต่อไปผู้เรียนดูสังกับป่าจันโธปนาโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิโยวัฒน์นุสัพปะทุโขสัประโยนัระโลคเวนัสัตตุวาเตปวัตตวนทราโยสุขีธีคายโยโภพระอภิวาตนาสีนิสานิจังวุธาปิชายโนจัตตารุธรมมวันติลายุวโนโ สุขังพลังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามามีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการ้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีด้วยเดชพระพุทธศาสนาดังที่ว่ามาแล้วนั้นจงประสบจากความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระสมานพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกทนหน้าโดยไม่เหลือทั่วทั้งใจโลกาอยู่ทุกมาเธอหลักๆนี่เออทำก็ทําซักราก็ทําซัก <c oughs> ว่าทากับว่าให้เป็นบาปเป็นกรรมยังหรอกว่าทากับว่าให้เป็นวบาปเป็นกรรมยังหรอกใจโลกธาติจึงไม่มีเวรมีภัยมั้นไม่บาปหรือเราธรรมะทั่วทั้งใจโลกาธาติ เพราะเราเคารพทำมันไม่มีเวรไม่มภัยมันก็ไม่บาป